สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะเรากลับมาพบกันเช่นเคยในรายการธรรมารับปรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะสําหรับในเช้าวันนี้เราพบกันเป็นเช้า ว, วันอาทิตย์ที่5้ากุมภาพันธ์ปีกสกงพันห้ราสิบห้ค่ะวันนี้เป็นวันขึ้น13คสามขาเดือนสนะคะปีมะโรงค่ะก็ขอนำทุกฟังทางบ้านมากราบน้ำระสการพระอาจารย์ไพบุญคุณคุณโอ น, นะคะซึ่งท่านก็เป็นองค์ปาถกประจํารายการของเรา และทุกเช้าวันเสาร์อาทิตย์ที่ทนก็จะมาทําหน้าที่แทนท่านผู้ฟังในการที่จะพูดคุยซักถามและก็สนทนาทำมากับท่านพระอาจารย์ไับุญอภิปุโนโรพระอาจารย์ประจํารายการของเรานะคะซึ่งท่านก็เป็นลูกศิษย์เอกหัวแก้วหัวแหวนเลยนะคะของพระเดชพระคูลงพ่อดออรสะอาดทิโตภาสูหรือท่านพระคปป ร, ะรูจิติปภากอนท่านเจ้าอววาดวัดาดอนหายโศกที่ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหารจังหวัด อ, อุดรธานีนะคะกราบนมัส ก, การเจ้าขาพระอาจารย์เจ้าขาเจริญ จาจุ้ยเจ้าคะ่ะเมื่อเช้าเมื่อวานนี้นะเจ้าคะ่ะเราพูดกันถึงเรื่องของความรักความเมตตาใช่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้อย่างไรพระอาจารย์ก็บอกว่าให้คนเรานั้นเนี่ยจะต้องฝึกตลอดเวลาเลยที่จะต้องมีความรักความเมตตาให้กับคนทุกคนโดยเฉาะยิ่ง ใ, ใครที่เป็นศัตรูกับเรานะเจ้าคะหรือว่าใครที่เขาไม่ดีกับเราไม่ว่าเขาจะเป็นเจ้านายเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเราอาแผ่ความรักความเมตตาให้เขาแล้วเนี่ย ทุกอย่างจะดีขึ้นนะเจ้าค้าด้วยแสแห่งความรักความเมตตาของเราที่แผ่ไปให้เขาในเช้าวันนี้ที่นิยมอยากจะข อ, อนำปัญหาเรื่องหนึ่งนะเจ้าค้าที่คิดว่าหลายท่านคงเผชิญอยู่แล้วก็ถ้าเผื่อพูดถึงไปว่าในสังคมไทยเราขณะนี้บางส่วนเราก็เห็นจะต้องยอมรับนะเจ้าคะ่ะว่ายังมีเรื่องของความที่เห็นไม่ตรงกันแล้วก็ต่อกั น, นะเจ้าค้อาจจอาจจะมีความโกรธแค้น มีความเครียงแค้นกันอะไรต่างๆแบบเกลียดหน้ากันไม่ชอบกันเลยอะไรอย่างนี้นะเจ้าค่ะทีเนี่ยเราจะใช้ธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเจ้าค่ะประการใดที่จะมาขัดเกลาหรือว่าขอความเมตตาพระจานทร์พิบุรุพิปุโนได้ชี้แนะด้วยเถิดเจ้าค่ะว่าทําอย่างไรความเกลียดชังความเครียดแค้นต่างๆหรือว่าความที่มองกันในแง่ร้ายเนี่ยเจ้าค่ะจ้า หายไปจัดจิตใจของคนไทยเราได้เจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ เ, เรื่องที่คุณตุใจพูดเนี่ยมันมีอยู่สองประเด็น ค, คือประเด็นแรกก่อนคือว่าเวลาที่เราพูดถึงคนที่คือคนที่โกรธกันเกลียดกันเนี่ยน ะ, ะมันจะมีอยู่สองประเภทคือประเภทที่ว่าเฮ้ยเราพยายามจะเขาเข า, เขาไม่ดีจริงๆนะเราพยายามจะแผ่เมตตาให้เขาอะไรต่างๆมันไม่ขึ้นเลยคนนี้เป็นคนชั่วชั่วร์นะทำยังไงเราจะจัดการยังไงกับคนประเภทนี้ น, นี่คือข้อที่1ที่เรายัางค้างไว้ตั้งแต่เมื่อวานนี้ถูกไหม <Okay. S 1> แล้วก็ประการที่2ก็คือว่าเอเขว่าเราไม่เข้าใจกันธรรมดาบางทีมันอาจจะมีเหตุการณ์ที่ทําให้เราไม่เข้าใจกันธรรมดาคือคนดีด้วยกันเนี่ยอาจจะมีข้อที่ขัดแย้งกันไม่เข้าใจกันอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นไปได้เนาะ <Okay. S 1> นี่ว่าในประเด็นแต่ละอย่างเนี่ยผู้รียนก็เคยยกตัวอย่างเอาไว้นะว่าพูดถึงเวลาที่ พระเนี่ยอยู่ด้วยกันในในวัดอย่างเงี้ยนะผู้ชายกตัวอย่างพระนะถ้าบอกว่าอาวาตไหนเนี่ยนะอาวาตไหนก็แล้วแต่วัดไหนกแ็แล้วลแต่เนี่ยนะถ้าบอกว่าพระสงฆ์ทั้งหมดเนี่ยอยู่ด้วยกันอย่างสมัครสมานสามัคคีนะไม่ได่ากันไม่ว่ากันทุกคนสามัคคีหมดเลยอย่างเช่นมาเวลาที่มีกิจที่ต้องร่วมกันทำอย่างเงี้ย องนี้ก็มาช่วยทําองนั้นก็มาช่วยทําทําองนี้เหลือไว้ตรงนี้ต้องไปทำนู่นต่ออีกคนหนึ่งก็มาช่วยนะช่วยกันไปช่วยกันมาในลักษณะนี้โดยที่ไม่มีใครมาด่ากันว่ากันว่าเธอทำไมทําไม่ไมเสร็จทําอันนี้ทำไมทําอย่างนี้จะไม่เป็อย่างนี้นะที่เป็นที่เป็นอย่างนั้นเนี่ยพรุทธเจ้าเคยพูดถึงทำทั้งหมด3ประการนะพูดถึงว่ า, าคนที่จะเวลา เขาเป็นอย่างนี้กันได้เนี่ยมองตากันด้วยสายตาแห่งความรักอยู่อย่างเงี้ยเข้ากันได้เหมือนกันน้ํานมกันน้ําเลยเนี่ยคนที่เป็นอย่างนี้เนี่ยนะแสดงว่าเขาละทำสา3อย่างคือละความคิดทางการความคิดทางพยาบาทความคิดทางเบียดเบียนนะสอย่างนี้แล้วก็เจริญให้มากซึ่งละขออภัยละ3อย่างคือละเรื่องความคิดทางการความคิดทางยาบาทความคิดในทางเบียดเบียนแต่เจริญอย่างมากนะซึ่งทําอีก3อย่าง นี่คือความที่ไม่ปรารถนาการในความนํำออกจากการนะความที่ไม่มุ่งร้ายแล้วก็ความที่ไม่ปยาบาทแนะละ3าอย่างนี้จเจริญสามอย่างนี้อันนี้ก็เป็นลักษณะของสมาสังกปะแล้วนพะระเชษฐาบอกนี้บอกว่าที่ไหนก็ตามในที่พิกษุ์เป็นอย่างนี้เนี่ยนะโอ้ยถึงแม้จะขนาดว่าจะต้องเดินทางไกลถึงขนาะดต้องหอด ก, กับข้าวไปกินระหว่างทางด้วยเนี่ยนะเดินทางเป็นโยโยศนี่ก็ควรจะไปดูไปเห็นบุคคลพวกนี้นะบุคคลไหนที่สามัคคีกันอยู่ได้เนี่ย จะไปต้องพูดถึงอะไรแทบว่ า, าแค่นึกถึงแตนะ่คือขณะว่าเดินทางไกลยังต้องไปหาเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยเขาต้องนึกถึงกันแน่นอนพระนิพุริเชาอย่างนึกถึงหมู่สงฆ์ที่มีความรักความสามาัคคีกันอย่างนี้นะเพราะว่าละความคิดทางกางความคิดทางใบปาความคิดทางเบียดเบียนมันหมายความว่าไงเอาความคิดทางกางมาเป็นต้นคุณเใจอย่างเช่นว่าเราไม่อยากจะมีไม่ต้องคิดว่าเราจะมีชื่อเสียงไม่ต้องคิดว่าเราจะมีความสุขที่เกิดจากตา หูจมูกลิ้นกายเช่นว่าไม่ต้องคิดว่าฉันจะมีเงินมากๆเพื่อที่จะซื้อข้าวของมาเป็นแต่งตัวให้หล่อให้สวยเรายังมีความคิดอย่างนั้นแต่ถ้าเรามีความคิดอย่างนี้เนี่ยถ้าเรามีความคิดทางการใช่ไหมเช่นว่าอยากมีชื่อเสียงอยากทําประโยชน์อย่างนั้นอย่างนี้มีความอยาก <c oughs> มีความอยากที่เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยคุณจะตกเป็นาธาตุของความอยากนั้นะจะทําทุกวิธีทางนะเพื่อที่จะถึงแม้พิธีทางนั้นจะเป็นการด่ากันว่านะเพื่อที่จะให้ สำเร็จซึ่งความอยากนี้เป็นต้นนะเช่นฉันอยากให้มากฎหมายฉบับนี้ผ่านนะฉันจะวางแผนทุกอย่างจะไงก็จะให้มันผ่านอย่างนี้นะนะผ่านเพื่ออะไรก็เพื่อที่จะขอแค่ว่าความที่มันผ่านโดยที่ไม่ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์อย่างอื่นอ่ะนะแต่พูดถึงความสุขที่เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายเป็นต้นนะ อ, อันนี้ประการที่หนึ่งประการที่สองพี่ผู้เช่าเคยพูดถึง บริการของจิตในบริการของจิตที่จะไม่ให้มีการผูกเวรในนะความโกรธเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วอย่างสมมุติคนเขาทาให้เราไม่พอใจเนี่ยพูดอะไรไม่เดีอยวมาตึ้งขึ้นมาเนี่ยมันกระแทกจิตเราใช่ไหมจิตเรากระเทือนตึ้มขึ้นมาเงี้ยอ้จิตคุณมีเมตตาอยู่นะมันก็รู้สึกอยู่รู้สึกถึงแรงกระทบกระเทือนนั้นแต่ก็ไม่ไหลไปตามปล่อยวางได้ถามไห้ระหว่างที่ถูกกระเทือนเนี่ยตึ้มขึ้นมาเนี่ย โอ้โหให้เขาพูดคํานี้ออกมาจากปากได้ไงเงี้ยเป็นต้นนะเ uh huh. พราะเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยถ้าจิตของเราเนี่ยะละความโกรธได้แต่แต่ความผูกเวนเนี่ยนะมันอาจจะยังละไม่ได้นะผูกเวนเนี่ยหมายความว่าระยะยาวที่มันจะอยู่ไปเรื่อยๆคือความโกรธนี่คือณนะจุดนั้นใช่ไหม uh huh. ความผูกเวนเนี่ยก็คือต่อเนื่องไปเรื่อยๆอย่างบางคนผูกเวนเปข้ามพภพข้ามชาตินะ uh huh. ตัวเองโกรธไม่พอยังสั่งสอนลูกให้ ผูกเวรอย่าไปญาติดีไอคนนี้อีกโอ้มันข้ามขั้นขนาดนี้นะนี่คือการผูกเวรใช่ไหมเวลาที่เราจะป้องกันจิตของเราไม่ให้มีการผูกเวรเนี่ยพระบรุทธเา พ, พูดถึงบริขารของจิตนะัคือองค์ประกอบที่จิตนี้จะต้องมีในการที่จะทำให้จิตนั้นไม่ผูกเวรไม่ให้มี ม, มีเวรไม่มีความเบียดเบียนนะน ะ, ะมีบริการอยู่5อย่าง เนะีคือตึงเป็นคนพูดความจริงนะถ้ า, าพูดความจริงนี่รักษาศีลข้อที่4หละอันสเป็นคนมีความเพียรความเพียร น, นี่คืออะไรคือความเพียรในการที่จะเอากิเลสออกจากจิตนะละอกุศลเจริญกุศลนะละทํามันมีโทษเจริญทำอันไม่มีโทษนี่นี่ ค, ความเพียรอย่างเช่นะว่าเอาคุณไปสายบาสสร้างน้ำทําบุญไหมคุณนั่งสมาธิภาวนาไหมอันนี้คุณต้องทำอันะที่3เป็นผู้ที่ประพฤติพรหมจรรย์ ผลพิบัติังบัญชาในที่นี้ก็คือว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมะเนี่ยบางทีไปอยู่วัด7วันบ้าง10วันบ้างนะปฏิบัติธรรมอย่างการปฏิบัติดิ้นเป็นต้นอย่างเงี้ยนะ <Okay. S 1> อันที่4นี้ก็คือต้องเป็นผู้ที่ามากด้วยการสาธยายมนสาธยายมนนี่ก็หมายความว่าสวดมนต์นะรู้ว่าอย่างน้อยเราเอาคําพุทธช่ามาท่องมาใคล้ครวนมาพิจรารณาจะไม่ได้นะนี่คือลักษณะของการสาธยาย อ, าอย่างเช่นว่าเราอ่านหนังสือธรรมะอย่างนี้ก็เป็นการสาธยายอย่างหนึ่ง อันที่5เนี่ยเป็นผู้ที่มากด้วยกันให้การบริจาค ก, การให้การบริจาคก็คือการให้ทานแต่ทั้งหมด5อย่างนี้จะเป็นบริการของจิตที่จะช่วยให้จิตนั้นไม่ผูกเวรเราดูง่ายๆเนี่ยมันก็คือเรื่องของศีลสมาธิปัญญาแะไรต่างๆ <Okay. S 1> ถ้าเรามีศีลสมาธิปัญญาเนี่ยจิตของเราจะสามารถที่จะคลายความผูกเวรไปได้นะอันนี้คือประการที่2ส่วนประการที่3ที่พูดถึงว่าแล้วเราจะแก้ปัญหายังไง อย่างเวลาคนที่เขามันชั่วชัวจริงๆอะนะประเด็นที่2ที่เราพูดถึงว่าเออบางคนอาจจะดีด้วยกันทั้งคู่แต่ว่าเข้าใจกันผิดอย่างเงี้ยไอ้ส อ, อย่างแรกที่พูดมาเนี่ยจะแก้ได้ละถ้าเราไม่มีความคิดทางการไปบาดเบียดเบียนกับเขานะมีเปิดกว้างออมีการให้ทานมีการพูดความจริงไอ้พวกนี้จะแก้ปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ของคน2คนที่เป็นแบบนี้ได้นะทีนี้คนที่มันชั่วจริงๆคนที่มันไม่อยู่ในมรรคเลยเป็นคนพานผ่านแลนะเป็นคนที่เรียกว่า ไม่รู้จักคุ้มไหนมานะเราจะต้องพอมีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะคืออันดับแรกก่อนเราจะต้องไม่ยุ่งกับคนผ่านไม่ยุ่งนะพระเจ้าบอกไม่ให้ยุ่งกับคนผ่านคนพานมาันมานี่เราหลีกออกเลยอย่าไปยุ่งกับมัน เ, เหมือนกับเชิงตะกอนไอ้ไม้ที่เผาเผาศพทั้งปลาย 2, 2ด้านก็ติดไฟตรงกลางก็เปื้นอุจจาระนะจากตรงไหนก็มีแต่มีแต่โทษนะคือเราไปคบกับคนพานแค่คุยกับเขานิดเดียวเนี่ยก็ยังมีโทษ เอาแค่นะ okay, ว่าขอทานเอา้าคนทานเป็นคนพานเงี้ยให้เศษสตังห้าบาทมันยังดา่าเราว่าเราให้น้อยไปก็ยังมีมเอา้าวเพราะฉนั้นเราอย่าไปยุ่งกับคนพานให้ก็ไม่ต้องให้ด้วยให้เราไปให้คนที่เป็นเนื้อนาบุญดีกว่าได้บุญเยอะด้วยแต่เราก็ไม่คิดไม่ดีกับเขานะที่พูทธอธรรมพูดอย่างนี้เนะี่ยถ้านผู้ฟังอย่าไปคิดว่าฉันไปดูถูกเธอฉันจะคิดไม่ดีกับเธอฉันจะเหยียดหยามเธออย่าไปทําอย่างนั้นเพราะนั้นชี้ว่าเราทําโทษให้เกิดกับตัวเอง <Okay. S 2> ว, วิธีการตรงนี้ทุกท่าเคยพูดไว้ในพระสูตรหนึ่งครั้นั้นมีพระสงฆ์ีแยกแตกกันอยู่เป็นสองฝ่ายนะแล้วก็เอจะทํำยังไงดนะีมีการทิ่มแทงกันด้วยห อ, อกปากไอ้ผู้ที่คนพานก็ยุลุกปุกระดมคนให้แตกกันนะต่างๆ <c oughs> ทําไม่ดีเลยทิ่มแทงกันด้วยห อ, อกคือปากนะคือถ้าท่านผู้ฟังอาจจะ <Okay. S 2> นึกถึงภาพของห อ, อกอเราใช้ปากเนี่ยเป็นห อ, อกคนที่แบบ ช, ชอบพูดยุยงให้แตกกันนะดูปากมันนะมันจะแบบอุย้ยดูไม่ได้หรอก มันจะหลมแลมออกมามันจะหอกมาทีมกันคือมันเป็นหอกปากนะหอกคือปากผู้ชายหวังนี่ใช่แล้วหอกคือปากใช่ใช้ปากเป็นอาวุธใช่ใช้ปากเป็นอาวุธน่ะคอมันก็จะเป็นเอ็นเอหน่อยนะแล้วก็โอ้ยปุ้นหน้าแดงขึ้นมาแล้วก็ไม่ได้การละรีบหนีรีบเห็นซะอทีนี้ว่าไอ้คนที่เป็นแบบนี้นี่พอมันเกิดเหตุการณ์นี้เราต้องมีการเตรียมการรับมือก่อนแต่พอเมื่อทราบเรื่องเนี่ยว่ามีการ แบ่งแยกเป็น2ฝ่ายที่มแทงกันอยู่ด้วยหอรคือปากนี่สิ่งเราที่เราต้องทําคือต้องมีการเตรียมตัวแนะเตรียมตัวก็คือว่าให้เตรียมเมตตาไว้เตรียมหเบกขาไว้นาะให้นึกถึงว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจนะไม่ใช่ของเราให้เราละเสียนาะฟังมาแล้วอะไรต่างๆเนี่ยให้วางใจเป็นกลางๆนาะอย่าไหลไปตามข้างใดข้างหนึ่งให้นึกถึงสิ่งที่ผู้เจ้าสอนนะว่าเออเราว่าฟังมาเนี่ยเออบางทีเราอาจจะจริงก็ได้อาจจะไม่จริงก็ได้นาะให้วางเป็นกลางๆเอาไว้ก่อน นะตรงนี้คือเต็มตัวอย่างนี้แต่พอเรารับฟังข้อมูลมันแล้วเนี่ยนะ เ, เวลาเขาด่ากันมากกันเนี่ยรับฟังข้อมูลมาแล้วเราต้องดูอันที่สองถัดมาคือมีความขัดเคืองเกิดขึ้นในจิตของเราหรือไม่ฟังให้ดีมีความขัดเคืองเกิดขึ้นในจิตของเราหรือไม่ถ้ามีถ้าไม่มีไ ม, มไม่มีปัญหาผ่านไปได้นะคุณไปทําประการที่3ก็ได้จะจะค่อยเริ่มแก้ปัญหาได้แต่ถ้ามีนะมีนะ แสดงว่าคุณแก้มันไม่เหมาะสมในการที่จะแก้ปัญหานี้ต้องละสิ่งที่ความขัดเคืองในจิตนั้นด้วยวิธีการห้าแบบพระพุทธเจ้าเคยพูดถึงการละอกุศลในจิตของเราเนี่ยคือถ้าเราฟังเรื่องใดเรื่องหนึ่งมาแล้วเกิดความขัดเคืองเนี่ยเราจะไปแก้ปัญหาด้วยจิตที่มีความขัดเคืองนั้นไม่ได้คุณอาจจรเนี่ออกมาอย่างเวลาเจ้านายเนี่ยโกรธลูกน้องอย่างเงี้ยแล้วสั่งลงโทษลูกน้องโอ้การลงโทษคันนั้นมันจะรุนแรงมากหรือพ่อแม่ไม่พอใจสิ่งที่ลูกทําอย่างเงี้ใช่ไหม อาจจะด้วยสิ่งผลที่เกิดขึ้นหรืออะไรแต่เวลาตีลูกลงโทษลูกเนะี่ยโอ้ตีนักหนักบางทีเราก็ยังรู้สึกสงสารนั่นเพราะว่าความที่มีความขัดเคืองเกิดขึ้นในจิตแล้วตัดสินใจไปแล้วมันก็จะไม่ได้มันก็จะไม่ดีใช่ไหมการตัดสินใจของเราด้วยจิตที่ไม่เป็นหนึ่งไม่เป็นเอกคัตาเป็นจิตที่มีความร้อนอยู่เนี่ยมันจะตัดสินใจผิดพลาดได้ทุกอย่างมันจะมีความผิดพลาดอยู่ในอยู่ในตัวมันหมดถ้าเหมือนพูดกับเหมือนเบรคเทียบกับรถยนต์เนี่ย ก็จะเหมือนรถยนต์ที่มีเครื่องเร็วมีอะไรต่างๆอย่างนี้แต่ไม่มีเบรกมันก็จะใช้การไม่ได้คือเราขับรถออกไปเราต้องตรวจดูก่อนนะว่าเบรกมันดีไหมแตนะ่ถ้าเบรกมันไม่ดีเนี่ยเราต้องรีบแก้ไขอย่าเพิ่งขับออกไปเช่นเดียวกันจิตของเราถ้ายังมีความขัดเคืองอยู่เนี่ยคุณอย่าไปตัดสินใจอย่าไปแก้ปัญหาอย่าแปลอะทั้งสิ้นเลยนะเอาแค่ให้เอาตัวให้รอดก่อนนะเพราะจิตในขณะนั้นของคุณเนี่ยเปรียบเหมือนรถที่ไม่มีเบรกเอาออกไปนี่ก็ตูมนันนั้นเลย นะครับไปได้ยุแต่ว่าชนแน่แต่อาจจะเกิดเรื่องราวอะไรได้นะครับพเามาเพราะฉะนั้นเราต้องอยากให้จิตของเรามีความขัดเคืองเอาละละยังไงค่ะอะมีวิธีการห้าอย่างที่พระเจ้าพูดถึงการะละความขัดเคืองในจิตนั่นก็คือว่าอเวลาที่เราเจอเรื่องไม่ขัดเรื่องที่ขัดเคืองเนี่ยเราก็ให้พิจารณาคือคือเรื่องขัดเคืองมันอยู่ตรงเนี้ยเราก็ไปมองทางอื่นซะนั่นคือพระเจ้าให้พูดถึงเวลาที่ ช่างไม้เนี่ยเขาเอาลิมสลักอันเล็กเนี่ยตอกเพื่อให้ลิมสลักอันใหญ่เนี่ยหลุดลงไปได้ใช้เทคนิคนี้ก็ได้ของช่างไม้เนี่นเหมือนกันเราก็ไปนึกถึงเรื่องอื่นที่จะทําให้เราสบายใจอย่าไปนึกถึงเรื่องนี้เนี่ยหมายความว่าอย่างสมมุติเรามีคนเข้าพูดข่าวเรื่องนี้มาบ๊อบบ๊เนี่ยมันทําการอย่าง น, นางงี้นะมันจะเตรียมการอย่างนี้เราอย่าให้มีความกเกินเืองถ้าเกิดความขัดเคกิงขึ้นทํายังไงเราก็ไปนึกถึงเรื่องที่จะทําให้เราไม่ขัดเคลืองเนี่เช่นว่าเราจะนึกถึง บอพระเจ้าก็ได้นะนึกถึงอะไรสักอย่างได้อย่างหนึ่งนะเราก็จะทําให้จิตเราเป็นเพื่อทําให้จิตเราเป็นกุศลอ่าทำให้จิตเราเป็นกุศลและทำให้ได้นะเพื่อที่จะจะคลายความอ ก, กุศลในจิตตรงนี้ประการที่1ตรงนี้เนี่ยพอทําไปแล้วเนี่ยถ้าเรา ย, ยังไม่ได้ผลนะถ้าทําไม่ได้ผลเนี่ยพระเจ้าให้ทำอ่าด้วยวิธีการที่2นะก็คือว่าอ่าวิธีการที่2หลังจากที่เราฟังฟังไปแล้วเรา อเปลี่ยนเรื่องคิดแล้วปรากฏว่าก็ไม่ได้อีกก็ให้ทําวิธีที่สองก็ให้เห็นโทษของความที่เป็นอกุศลนั้นเพ ร, ะระเาะผู้ชาบเริเหมือนกับหญิงสาวหรือชายหนุ่มที่ชอบแต่งตัวเนี่ยพอถูกคนคือรักสวยรักงามนะวัยรุ่นสมัยนี้เราจะเห็นคนที่เขาทักสวยทักงามหรือ เ, เขาเอากระจกมาส่องเอากระจกมาส่องพกหวีอยู่ที่กระเป๋าหลังเนี่ยแล้วก็หวีผมลาบแปะแปะอยู่ตลอดเวลาพวกนี้นะวัยรุ่นพวกเนี้ <Okay. S 1> ถ้าเขา มีคนเอาซากซากมูซากสุนัขซากคนมาแขวนเข้าดีคอเนี่ยยี่เขาจะรู้สึกอุดตันกระยักรยางทันทีจะรีบเคลืง่งเวียงออกไปนะอึดอันระยับกขยางต่อสิ่งเหล่านั้น mm hmm. แต่เช่นเดียวกันเราให้เห็นโทษของความเป็นอกุศลคิดดูนะถ้าไม่อกุศลอยู่อกุศลอยู่ในสิตของเรานะจิงของเรามันเหมือนรถไม่มีเพลงนะคุณเดินใจว่ามันใช้งานไม่ได้เลยไม่ได้เลยจริงๆ นะทำอะไรก็ไม่ขึ้นไม่รับประกันความปลอดภัยใช่ทําอะไรก็ไม่ขึ้นคิดอะไรก็ไม่ออกอมึนตึงอั้นตู้อยู่ในตัวเองแล้วนะมีแต่โทษทั้งนั้นเลยเห็นโทษแล้วทําไงทิ้งมันไปซะอย่าไปมีความขัดเคืองเกิดขึ้นในจิตของเราความขัดเคืองเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เรื่องที่มันกระแทกหูนี่อันที่หนึ่งสองคือความขัดเคืองเกิดขึ้นความขัดเคืองกับเรื่องที่มาโดนหูเราเนี่ยมันคนละส่วนกันนะ บางคนน่ยบอกว่าเออฉันเธอต้องไปพิจารณาเรื่องนั้นนะเรื่องนี้เกิดขึ้นไม่ได้ต่างๆเอ้าถ้าเราสามารถแยกสอตัวนี้ออกได้ส่วนขัดเคืองส่วนหนึ่งส่วนที่มันโดนหูเราส่วนหนึ่งเราจะมีคุณสมบัติพอที่จะแก้ปัญหานี้ได้แต่ถ้าเราเอาความขัดเคืองออกไม่ได้ไม่ได้นะคุณจะแก้ปัญหานี้ไม่ได้ถ้าคุณสามารถแยกส่วนแล้วเอาวางความขัดเคืองนี้ซะนะเพราะอะไรเพราะเห็นโทษของความขัดเคืองเเหมือนกับไอ้ซากศพซากคนที่มันแขวนอยู่ที่คอของพวกวัยรุ่นที่รักสวยรักงามแต่ถ้ายังไม่ได้อีก แมพิจารณามันไม่เห็นทำยังไงโอ้ยเราก็พระเจ้าก็ให้ให้เลิกคิดเลิกทำสิ่งที่เป็นอกุศลนั้นซะไปคิดเรื่องอื่นนะไปคิดเรื่องกุศลคือหมายความว่าคุณเลิกคิดเรื่องนี้ไปเลยคุณเลิกคิดเรื่องนี้ไปเลยเข้าใจไหมคืออย่าไปคิดเรื่องแม้กระทั่งที่จะทําให้เรามีความคิดเป็นอกุศลสมมุติเราฟังข่าวอย่างเงี้ยอย่างประเด็นแรกเนี่ยนะเราอาจจะนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นต้นนะเราก็ยังฟังข่าวอยู่นะ ท, ท, ทำให้ใ<ม>ที่ทําให้เรามีความขัดเคืองเนี่ยพอเรานึกถึงผู้ชาติไปด้วยฟังข่าวไปด้วยเออจิตเราคลายความขัดเคืองไปได้อันนี้ดีแต่ถ้ายังไม่ได้ใช่ไหมคุณได้เห็นโทษของความขัดเคืองที่จะเกิดขึ้นนะแล้วก็ปล่อยวางให้ได้นะถ้ายังไม่ได้ใช่ไหมคุณเปลี่ยนเรื่องคิดเลยคุณเปลี่ยนช่องปไปเลยไม่ต้องดูข่าวนะฟังเรื่องอื่นไปฟังดนตรีก็ได้ไปฟังธรรมะกะ็ได <bles> ้ที่จะทําให้จิตของเราไม่มีความขัดเคืองอย่างในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีน้ําท่วมน้ำลายใช่ไหมคุณก็ไม่ต้องไปดูข่าวน้ําท่วมก็ได้ใช่ไหม ไปดูข่าวเรื่องอื่นก็จะคลายความกังวลไปได้ <Okay. S 1> ถ้ายังไม่ได้ใช่ไหมผู้เช่าบอกว่ า, าให้มองแง่อื่นนะให้มองอในแง่มุมอื่นที่จะทําใหา้จิตของเราดีขึ้นมาได้นะสมมุติว่าเราก็เอาข่าวนั้ น, นยมาวิาเคราะห์มองเห็นแง่ดีของมันนะอะไรต่างๆคนที่ทําตรงนี้ได้จิตเขาก็จะต้องค่อนข้างมีกําลังเหมือนกันนะอันนี้วิธีที่สี่ทำเห็นแง่มุมต่างๆเนี่ยผู้เช่าเปรียบเหมือนกับเหมือนกับคนที่เดินเร็วเร็วใช่ไหม เด ba, ินเร็วๆไปเนี่ยก็เออเดินเร็วๆทำไมก็เดินช้าๆดีกว่าใช่ไหมพอเดินช้าๆเดินช้าๆจะเดินไปทําไมเอ่ยืนดีกว่ายืนไปแล้วก็จุกคิดว่าเอ๊จะยืนไปทำไมนั่งลงดีกว่านั่งลงแล้วก็จุดคิดว่าเอ๊จะนั่งอยู่ทำไมนอนดีกว่าเนี่ยเขาก็นอนคือเขาก็เปลี่ยนอริบทจากหยาบๆเนี่ยมาเป็นรีบทละเอียดละเอียดนี้เหมือนกันนั่นก็คือเราให้เห็นแง่มุมอื่นนะของสิ่งที่มากระทบนั้น ทําใจให้สบายก็จะสามารถที่จะเป็นผู้ที่เรียกว่าละในะสิ่งที่เป็นอกุศลได้ น, นี่คือข้อที่4ถ้ายังละไม่ได้อันนี้ปรมาจารย์มีวิธีที่5อยู่ข้อที่5ก็คือว่าให้เขาเรียกว่าหักดิบเลยแตนะถ้ายังไม่ได้ผลนะคือทําวิธีที่1แล้วก็ไม่ได้ผลนะคิดถึงมองในแง่ดีก็ไม่ได้ผลเห็นะนโทษของมันก็ไม่ได้ผลเอาเปลี่ยนเรื่องคิดก็ไม่ได้ผลไม่ไมดูไม่ฟังแล้วเยังไม่ได้ผลมีแต่ บางทีคนเราไม่ดูข่าวแล้วก็ยังมีความกังเคืองอยู่ในจิตนะทำยังไงพระเจ้าให้ใช้วิธีที่5คือให้หักดิบเลยหักดิบจิตนะคือคมจิตด้วยจิตนะจดเพดานด้วยลิ้นนะบีบจิตด้วยจิตเผาจิตด้วยจิตให้เป็นอย่างยิ่งคือหมายความว่าพระเจ้าเคยเปรียบเทียบกับคนที่ออนแอร์ air, เนี่ยมีคนแข็งแรงมาจับศีรษะที่คอหรือจับที่ลําตัวคมขีบบีบคั้นให้ ร, ร่าเรอนเป็นอย่างยิ่งนะคือ บีบมันเลยเอาอย่างเช่นว่าเอาเราลิ้นดันเพดานเพดานปากเงี้ยเราร่างกายเราก็จะรู้สึกเจ็บล่ะพอเริ่มรู้สึกเจ็บนะมันจะเลิกคิดเรื่องอื่นเราจะไม่มีความขัดเคืองเกิดขึ้นแล้วเราจะมาสนใจแต่เวทนาเราตรงนี้เท่านั้นเองนักบ mm ุญ hmm. ช้าให้หักดิบอย่างนี้ mm hmm. เพื่ออะไรทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่ออะไร mm hmm. เพื่อที่จะให้ความขัดเคืองเนี่ยไม่มีอยู่ในจใจของเรา mm hmm. ทําไมทําไม mm hmm. เพราะอะไรเพราะว่า ถ้ามันมีแล้วเราจะเป็นผู้ที่มีโทษนะ เ, เวลาเหมือนกับเขากรธโกรกันอยู่เนี่ยไฟมันลุกอยู่ทำไงเฮ hey, hey, hey ้เอาสารน้ามันเข้าไปเพิ่มมันไม่ได้นะใช่ไหม <S <S คุณต้องเอาน้ำไปดับไฟไหนะน้ำไปดับไฟน้ำนี่ก็ต้องเป็นน้ำที่ดีพอสมควรนะไม่ใช่เอาน้ำขยะน้ำเน่ามาดับไฟก็ไม่ได้นะต้องเอาน้ำที่ดีพอสมควรเช่นเดียวกันเวลาเกิดเหตุการณ์ขึ้นเนะอ้ยมัน มันแตกกันพอแรงแนละ้วคุณตือนใจที่มันแทงกันอยู่ที่หอกคือปากแล้วถ้าเราคุณมีความขัดเคืองเข้าไปนะ้ำคุณก็เหมือนโยนไฟเข้าไปอีกก้อนหนึ่งเติมไฟเข้าไปดวงหนึ่งนะใส่เชื้อเพลิงเข้าไปหน่วยหนึ่งมันก็จะไปไม่ได้นะถ้าเราละไม่ได้จริงๆละไม่ได้แล้วนะให้คนควายนลอยซะอย่าไปยุ่งอย่าไปสนใจปล่อยวางกับปัญหานี้ให้ได้ให้ใจเราปล่อยวางให้ได้นะจนกว่าจะวางความขัดเคืองได้นะเราถึงจะเป็นผู้ที่จะเข้าไปแก้ปัญหาได้ ถ้าเรายังวางความขัดเคืองไม่ได้นะคุณคุณไม่ต้องทําอะไรคุณจัดการตัวเองให้ได้ซะก่อนนะนี่คือประเด็นนี่คื อ, อคนสำคัญที่เราเจอปัญหาที่ไม่ดีนะแล้วคนนั้นเขาไม่ดีจริงๆน ะ, <Okay. S 1> ะทีนี้ถึงแม้ว่าคนนั้นเขาจะดีอยู่แต่ถ้ามีความขัดเคืองอยู่ในจิตของเราเนี่ยยังไงเราก็ต้องเอาความขัดเคืองตามกระบวนการนี้ออกไปให้ได้ด้วยกระบวนการที่พูดมาทั้งหมด5อย่างนี้นะ ทีนี้จะทําให้ความขัดเคืองออกไปจากจิตของเราได้มันยังมีขั้นต่อไปอีกนะคือพอความขัดเคืองออกไปจากจิตของเราเราจิตเป็นจิตที่สบายละเหมือนรถที่มีเบรคมีระบบเบรกอย่างดีละถ้ายังไงต่อไปนะก็ให้ดูว่าฝ่ายที่เขาแตกกันเนี่ยนะมันแตกกันใช่ไหมเราก็ดูว่าฝ่ายไหนที่พอจะพูดได้ง่ายกว่านะพอเราพูดแล้วเขาจะฟังเรานะให้เราไปพูดกับฝ่ายนั้นไปหาฝ่ายนั้น เข้าไปหาคนนั้นในคนที่จะพูดง่ายกว่าฟังได้ในะมีความเข้าใจในเรื่องนี้เราก็พูดอธิบายให้ฟังออบอกกับผู้นั้นบอกว่าทะเลาะ ก, กันไม่ดีนะเพราะว่รสชาติตัดลไว้หลายอย่างนะอะไรที่ลงกันไม่ได้เทียง เ, เข้ากันไม่ได้เนี่ยเราก็อย่าไปพูดถึงสิ่งนั้นเราก็ค่อยหาวิธีทางแก้ออกไปนะแต่อย่าทะเลาะ ก, กันเลยพูดในลักษณะ น, นี้นะ uh huh. เขาเราก็จะมีพวกมากขึ้นเพิ่มอีกคนหนึ่งเข้า uh huh. ใจไหมคือหมายความว่าเขาแบ่งเป็น2พวกใช่ไหม เราเอาพวกที่สามพวกที่สามที่จะไม่แตกกับใครไม่ เ, เป็นเหมือนกับบุคคลตรงกลางนะเป็น เ, เป็ น, เ ป, นเป็นกลางนะเพิ่มจำนวนคนตรงกลางนี้ให้มากขึ้นนะจะเอาชนะฝ่ายที่เป็นบวกเป็นลบที่ด่ากันมากกันทิ่มแทงกันด้วยหอกคือปากอยู่ตรงนี้จะแก้ได้คือหมายความว่าพอพอเราไปพูดคนนี้ใช่ไมคนนี้เปลี่ยนละมาเป็นผู้ตรงกลางใช่ อ้าวเราก็ดูสิว่ามีใครที่เราจะพูดต่อไปได้บ้างในที่เขาจะเข้าใจเราพูดง่ายที่สุดเราไปหา ค, ค, คนนั้นนะคนนี้ออกมาเป็นพวกเราแล้วเป็นพวกคือไม่ใช่พวกเราที่จะไปแตกกับคนอื่นนะแต่เป็นพวกที่ตรงกลางที่จะไม่แตกกับใครอ้าวพอเพิ่มขึ้นมาแล้วก็ไปหาคนถัดไปอีกคนไหนจะพูดง่ายเราไปพูดกับคนนั้นนะคนตรงกลางนี่เพิ่มขึ้นมาแล้วพวกที่จะไม่แตกกับใครเราก็ไปหาคนอื่นอีกคนไหนถัดไปจะฝ่ายนั้นหรือฝ่ายนี้ก็ได้ในที่พูดแล้วเขาจะฟังเราในพูดแล้วเขาจะมีความ พูดเราฟังเราแล้วก็เห็นด้วยกับเราแล้วก็ไปพูดกับคนนั้นไล่ไปไล่ไปอย่างนี้มันจะแก้ปัญหาได้เจ้าค่ะก็เหมือนกับว่าเราต้องพยายามที่จะอ่าดูว่ามีใครบ้างที่เราจะสามารถพูดคุยอธิบายชี้แจงเขาให้เขามามีความรู้สึกอ่คือไม่ไม่บวกไม่ลบแต่ว่าอยู่ตรงกลางนะเจ้าค่ะคือเป็นธรรมมองในสิ่งถูกต้องอพยายามทําให้มากที่สุดเพื่อว่าให้คนที่อยู่ในกลุ่มตรงกลาง ที่มองเห็นความเป็นกลางเนี่ยเพิ่มจำนวนมากขึ้นมากขึ้นก็จะทําให้คนที่ไม่ว่าจะคิดสุดโต่งทั้งสองข้างนี้ก็จะลดน้อยลงไปนะเจ้าคะคือคนกลุ่มตรงกลางเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะมองกลุ่มนั้นกลุ่มนี้เป็นกลุ่มๆนะคือตัวเองเขาก็ไม่มองเป็นกลุ่มนะคือหมายความว่าถ้าสมมติว่าคนตรงกลางเนี่ยบอกว่าเฮ้ยพวกเธออยู่ทะเลาะกันสิไม่ดีนะเทะเลาะกันอย่างนี้คุณก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งแล้วเจ้าค่ะเราแม้ความคิดนั้นเราก็จะไม่มี เพราะว่าอะไรเพราะความคิดที่จะทะเลาะกันเราไม่มีเลยคนที่มีความไม่มีความขัดเครืองเนี่ยเขาจะทำได้แต่ถ้าไอคนที่มีความขัดเครืองเนี่ยแล้วจะไปแก้ปัญหาเนี่ยคุณจะกลายเป็นกลุ่มที่สมาทะเลาะกับอีกสองกลุ่มนี้อีกพวกหนึ่งมีความขัดเครืองอยู่ตั้งกลุ่มขึ้นมาคุณจะกลายเป็นกลุ่มที่สกลุ่มที่5มาทะเลาะกับทุกกลุ่มเลยมันเป็นอย่างนั้นไง ซึ่งบัตรนี้มันเป็นอยู่อย่างนี้เพราะมันเป็นอย่างนี้ไงเดีวกลุ่มนั้นก็มีกลุ่มนี้ก็มีกลุ่มนู้นก็มีฉันต้องการแก้ความขัดแย้งนะเธออย่ามมาว่าฉันนะฉันจะทําอย่างนี้แหละเธอจะทําไมด่ากนันอีกอ้าเป็นกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งขึ้นมามันไม่ได้คุณต้อง <c oughs> เอาความขัดเคืองในจิตออกไปซะก่อนแล้วคุณถึงคุณจะทุณ ถ, ถึงจะเรียกว่ามาไกลเกลี่ยตรงนี้ได้นะเป็นอีกไม่ใช่เป็นอีกกลุ่มหนึ่งขึ้นมานะคุณเดินใจนี้เข้า่มไอคนที่เป็นมีความแบบนี้คุณจะสามารถสลายกําลังของกลุ่มมอื่นๆไดด้หดเลย แล้วทุกคนก็จะเป็นปกติเหมือนเดิมสบายใจเหมือนกับมีคนไทยยิ้มให้กันอย่างเงี้ยนะอืมเจ้าค ะ, นะเป็นแง่คิดที่ดีมากเลยนะเจ้าคะสำหรับการเสนอในรายการธรรมราบรุนในเช้าวันที่ห้ากุมภาพานันธ์นี้เพราะว่าในเมื่อวานนี้วันเสาร์ที่สี่นั้นพระอาจารย์ไยบพบรุญอภิคุณโนท่านก็ได้เมตตาที่จะพูดคุยสนทนาชีแนะแนวทางของการที่จะทาให้คนเรานะคะได้มีความรัก ควเมตตาต่อผู้อื่นนะคะไม่ว่าเขาจะดีหรือร้ายกับเราก็ตามสําหรับในเช้าวันอาทิตย์นี้สิ่งที่พระอาจารย์ภั ย, ยบูรณพิพุโนพระอาจารย์องค์ปาถกประจํารายกายรธรรมารับอรุณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้สากชาหรือว่าสนทนาธรรมะมานั้นตั้งแต่ต้นรายการนะคะ <c oughs> ก็คงจะทําให้ท่านผู้ฟังได้รับชาติถึงแนวทางที่จะแก้ไขถ้าหากว่ากรณีที่เราเกิดจะไปอยู่ในสังคมที่เขามีความสุดโต่งคือแบบว่า ไม่ชอบพอกันอย่างอย่างมากจะใช้ธรรมะก็ไดมาแก้นะเจ้าคะ่ะอาจารย์<น>พระอาจารย์ฝากท้ายอีกนิดหนึงได้ไหมเจ้าคะ<น>่ะทิ้งท้ายก่นอนที่เราจะจากกันในช้าวันนี้เจ้าค่ะนิมนต์เจ้าคะ่ะคือระบบตรงนี้เนี่ยมันต้องทํางานเป็นระบบะคือไม่ใช่ว่าธรรมะหมดได้บนหนึ่งมันจะมาแก้ได้พะสดุต ร, ตรงนี้พระเจ้าพูทธยาบมาเนีเพราะฉะนั้นเออได้รวบรวมมาเนี่ยคือเป็นลําดับขั้นตอนเพราะฉะนั้น เ, เรื่องที่เราทําความสําคัญมากๆเลยเนี่ยก็คือเราต้องมีการตรียมตัว สองเราจะต้องมีการเอาความขัดเคืองในจิตของเราเออกไปให้ได้นะแล้วถ้าเอาออกไม่ได้คุณอย่ามาสนใจเรื่องนี้คุณไปจัดการตรงนี้ให้ได้ซะก่อนถ้าคุณเอาออกได้แล้วนะคุณถึงจะมาสามารถแก้ปัญหาตรงนี้ได้นะให้เราทําใจให้มีเมตตาให้มีอุเบกขาให้ยิ้มกันให้เข้าหากันอย่างมีเมตตาอย่างนี้เราจะไปรอดได้นะเจ้าค่ะก็คือเริ่มต้นจากตัวของเราเองก่อนนั่นเองนะเจ้าค่ะแล้วก็ค่อยแพ่ไปเต็มสังคมโดยทั่วไปใน รอบตัวเราแล้วก็สังคมของประชาติต่อไปนะเจ้าค่ะเพลงเลยสาธุเจ้าค่ะครับท่านท่านฟังค้าเราได้ฟังพระอาจารย์ไพบุญอภิปุโนนะคะพระอาจารย์องค์ปาถุกประจํารายการธรรมาราปุญญาของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้สนทนาธรรมะในเช้าวันอาทิตย์นี้ดิฉันเชื่อมั่นเลยค่ะว่าถ้าท่านตามรับฟังตั้งแต่แตเช้าเมื่อวานคือเรื่องของความรักความเมตตาและ ว, วันนี้ในการแนวทางในการแก้ไขปัญหา ความไม่พอใจความเครียดแค้นหรือว่าความโกรดเครืองที่เรามีต่อผู้อื่นหรือว่ากลุ่มอื่นที่ไม่เหมือนหรือคิดไม่เหมือนเรานั้นเนี่ยเราจะแก้ไขได้อย่างไรบ้างโดยหยิบเอาธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมาสากฉาหรือว่ามาชี้แจงให้ฟังกันนะคะเพื่อนเชื่อมั่นว่าท่านผู้ฟังคงจะได้แง่คิดที่ดีๆจากรายการธรรมาราป ร, รุลของเราเหมือนเคยค่ะสําหรับในเช้าวันอาทิตย์นี้ก็คงจะต้องหมดเวลาแล้วนะคะนำท่านผู้ฟังทางบ้านกราบขอผู้คุ ณ, แ ล, คณและกราบน้มัสการลา พระอาจารย์ภัยบุตรอภิบุโนโลูกศิษย์เอกของพระเาษพระคุณหลวงพ่อด็อเตอร์สะอาดทีต่ตัวพสูท่านเจ้าอาวาสวัดป่าดอนหายโศกตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหารจังหวัดอุดรธานีเพียงแค่นี้นะคะกลับน้ำมรสการขอพระคุณอย่างสูงยิ่งเจ้าค่ะเทียนบารอ้าทุเจ้าค่ะ